ชีวิตคืออะไรหัวข้อชีวิตตามความหมายของมนุษย์และโดยสัมพันธ์กับโลกพุทธธรรมบทที่สองอายตนะหกแดนรับรู้และเสพสวยโลกแม้ว่าชีวิตจะประกอบด้วยขันหซึ่งแบ่งซอยออกไปเป็นหน่วยย่อยต่างๆมากมายแต่ในทางปฏิบัติ คือในการดำเนินชีวิตทั่วไปมนุษย์ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนประกอบเหล่านั้นโดยทั่วถึงแต่อย่างใดส่วนประกอบหลายอย่างมีอยู่และทำหน้าที่ของมันไปโดยมนุษย์ไม่รู้จักหรือแม่รู้จักก็แทบไม่ได้นึกถึงเลยเช่นในด้านรูปธรรมอวัยวะภายในร่างกายหลายอย่างทาหน้าที่ของมันอยู่โดยมนุษย์ผู้เป็นเจ้าของไม่รู้และไม่ได้ใส่ใจที่จะรู้ จนบางคราวมันเกิดความวิปริตหรือทำหน้าที่บกพร่องขึ้นมนุษย์จึงจะหันมาสนใจแม้องค์ประกอบต่างๆในกระบวนการฝ่ายจิตก็เป็นเช่นเดียวกันการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆและกระบวนการทำงานทางร่างกายเราปล่อยให้เป็นภาระของนักศึกษาทางแพทยศาสตร์และชีววิทยา ส่วนการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบและกระบวนการทำงานด้านจิตใจก็ปล่อยให้เป็นภาระของนักอภิธรรมและจิตวิทยาแต่สำหรับคนทั่วไปความหมายของชีวิตอยู่ที่ชีวิตในทางปฏิบัติหรือชีวิตที่ดำเนินอยู่เป็นประจำในแต่ละวันซึ่งได้แก่การติดต่อเกี่ยวข้องกับโลกสิ่งที่ให้ความหมายแก่ชีวิต ก็คือการติดต่อเกี่ยวข้องกับโลกพูดสั้นๆว่าชีวิตตามความหมายของมนุษย์คือชีวิตโดยความสัมพันธ์กับโลกชีวิตในทางปฏิบัติหรือชีวิตโดยความสัมพันธ์กับโลกนี้แบ่งออกได้เป็นสองภาคแต่ละภาคมีระบบการทำงานซึ่งอาศัยช่องทางที่ชีวิตจะติดต่อเกี่ยวข้องกับโลกได้ซึ่งเรียกว่าทวาร คือประตูหรือช่องทางดังนี้ 1. ภาครับรู้และเสพสวยโลกอาศัยทวารหกคือภัสสะทวารหรือในภาษาอังกฤษ s e n s o r s คือตาหูจมูกลิ้นกายใจสำหรับรับรู้และเสพสวยโลกซึ่งปรากฏแก่มนุษย์โดยลักษณะละอาการต่างๆ ที่เรียกว่าอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสผลธพะและธรรมอารมณ์ 2. ภาคแสดงออกหรือกระทาต่อโลกอาศัยทวาร3คือกรรมทมวาร channels of action คือกายวาจาใจได้แก่กายทวาร วจีทวารมนโนทวารสำหรับกระทำตอบต่อโลกโดยแสดงออกเป็นการทาการพูดการคิดคือกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมในภาคที่หนึ่งมีข้อที่พึงย้ำเป็นพิเศษเพื่อสะดวกแก่การศึกษาต่อไปว่าคำว่าทวารในทวารหกนั้น เมื่อกล่าวถึงในระบบการทำงานของกระบวนธรรมะแห่งชีวิตท่านนิยมเปลี่ยนไปใช้คำว่าอายตนะซึ่งแปลว่าแดนเชื่อมต่อให้เกิดความรู้หรือทางรับรู้ดังนั้นในการศึกษาเรื่องนี้ต่อไปจะใช้คำว่าอายตนะแทนคำว่าทวานในภาคที่สองพึงย้ำว่า กระบวนธรรมะของชีวิตในภาสนี้รวมอยู่ในขันที่สคือสังขารขันที่กล่าวมาแล้วในบทก่อนสังขารต่างๆในสังขารขันซึ่งมีอยู่มากมายแบ่งเป็นฝ่ายดีบ้างฝ่ายชั่วบ้างฝ่ายกลางๆบ้างจะปรากฏตัวออกมาปฏิบัติการโดยถูกเจตนาที่เป็นหัวหน้า หรือเป็นตัวแทนเลือกชักจูงมาหรือจัดแจงมอบหมายหน้าที่ให้ช่วยกันทำการปรุงแต่งการแสดงออกหรือการกระทำทางกายวาจาใจเกิดเป็นกรรมคือการทำการพูดการคิดในกรณีนี้สังขารจะถูกจัดประเภทเสียใหม่ให้สอดคล้องกับบทบาทของมัน โดยแบ่งตามทางหรือทวารที่แสดงออกเป็นกายสังขารวจีสังขารและมนโนสังขารเรียกตามชื่อหัวหน้าหรือตัวแทนว่ากายสันเจตนาวจีสันเจตนาและมนโนสันเจตนาหรือเรียกตามงานที่ทาออกมาว่ากายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรม แสดงให้เห็นง่ายขึ้นดังนี้ 1. กายสังขารสภาพรุงแต่งการกระทำทางกายเท่ากับกายสันเจตนาความจงใจแสดงออกทางกายกายทวารคือทางกายไปสู่กายกรรมการกระทำทางกาย 2. วจีสังขารสภาพปรุงแต่งการกระทำทางวาจาเท่ากับวจีสัญเจตนาความจงใจแสดงออกทางวาจาวจีทวารทางวาจาไปสู่วจีกรรมการกระทำทางวาจา 3. มโมโนสังขารสภาพปรุงแต่งการกระทำทางใจ เท่ากับโมโนสัญเจตนาความจงใจแสดงทางใจโมโนทวารทางใจไปสู่โมโนกรรมการกระทาทางใจสังขารในฐานะเรื่องปรุงแต่งคุณภาพหรือคุณสมบัติต่างๆของจิตได้กล่าวแล้วในเรื่องขันห้าส่วนสังขารในฐานะกระบวนการปรุงแต่ง แสดงออกและกระทาการต่างๆต่อโลกเป็นเรื่องกิจกรรมของชีวิตซึ่งจะแสดงเป็นพิเศษส่วนหนึ่งต่างหากในตอนว่าด้วยชีวิตเป็นอย่างไรในที่นี้มุ่งแสดงแต่สภาวะอันเนื่องอยู่ที่ตัวชีวิตเองหรือองค์ประกอบของชีวิตพร้อมทั้งหน้าที่ของมันตามสมควรจึงจะกล่าวเฉพาะภาคที่หนึ่งคือเรื่องอายตนะหกหรือพัสสทวานอย่างเดียว หมายเหตุตามคำอธิบายของพระอธกถาจารย์อายตนะมีความหมายหลายนัยยะเช่นแปลว่าเป็นที่สืบต่อแห่งจิตและเจตสิกคือเป็นที่ที่จิตและเจตสิกทำหน้าที่กันง่วนเป็นที่แผ่ขยายจิตและเจตสิกให้กว้างขวางออกไปเป็นตัวการนาสังสารทุกข์อันยืดเยื้อให้ดำเนินสืบต่อไปอีก เป็นบ่อเกิดแหล่งที่ชุมนุมเป็นต้นอันหนึ่งเพึงสังเกตว่าประสาทรับความรู้สึกภายในร่างกายเกี่ยวด้วยท่าทางการเคลื่อนไหวทรงตัวเป็นต้นจำพวกที่เรียกว่าส ม, มิติเสียท่านไม่ได้จัดเพิ่มไวในพวกอายตนะด้วยแม้ท่านจะไม่ได้ชี้แจงเรื่องนี้ไว้ก็มองเห็นเหตุผลได้ว่า ความรับรู้ประเภทนี้บางส่วนรวมอยู่แล้วในอายตนะที่ห้าที่ท่านใช้คำกว้างๆ ว, ว่ากายแต่เหตุผลข้อสำคัญอยู่ที่ว่าประสาทจำพวกนี้ทำหน้าที่จากัดเพียงในด้านสรีระวิทยามุ่งเพื่อรักษาสภาพปกติแห่งการทำงานของร่างกายเท่านั้นมีลักษณะจำพาะตัวและจำกัดอยู่ภายใน เป็นเครื่องสนับสนุนที่จําเป็นแต่มีค่าคงตัวไม่มีคุณค่าที่จะก่อผลงอกเงยทั้งด้านความรู้และด้านเสพสวยโลกทั้งด้านยานวิทยาและด้านจริยธรรมจึงไม่เข้ากับความหมายของอายตนะ